เอ่อตอนนี้ไปขอท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านอ่านและอ่านพฤึกฟังเรื่อง ขอคุยกันต่อไปนั่นก็หมาย 5 ธันวาคม 2532 มีการรับ หลังจากมันมาออกจากวังแล้ว 5 ธันวาคม 2532 มีการรับสมณศักดิ์เรื่อง ขึ้นเป็นพระราชพรมยานหลังจากนั้นมาออกจากวังแล้วสมเด็จพระสัมปัญญาคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ว่าสัมปัญญาที่มี 13 พันวาคม 2520 หรือ 2500 32 ดร. 2 งานนี้เป็นการฉลองสพรรณศักดิ์หรือพร้อมผู้ภาษาไทยไทย ไม่ตัวอะไรก็มีความสงสัย 18 ที่คุยกับท่านปู่นี่เคย เรามา 5 ธันวาคม 2532 หลวงปู่ที่วัดท่าสงห์ จึงมีความเมตตาหลวงปู่มากหลวงปู่ก็บอกว่าใครปรโลกก็โหนท่านมีความเมตตาคล้ายพ่อกับลูกอย่างท่านพระเดชพระ มีความเมตตาปราณีในหลวงปู่มากลําดับท่านลําดับที่ลําดับที่ก็เกรงจะเสียเวลามากทุกท่านมีพระคุณยิ่งใหญ่ฉะนั้นเวลาที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อตามข่าวก็บอกว่าสมเด็จพระสัมบรรยาคือ 80 อายุใกล้ 80 ปีเข้าไปเต็มทีแก่มากวัดวารามก็สร้างจะไปเสร็จสร้างใหญ่โตท่านถามว่าวัดท่าสูงเนี่ยถ้าบังเอิญตายไปเวลานี้ตามข่าวเพราะ แต่การที่อยู่ที่วัดท่าทรวงมันไกลแสงไกลถ้ากระทุกองค์ก็นิ่งเมื่อทั้งองค์นิ่งทาง ก็ได้วางเอาไว้ในฐานะอธิปโคฐานอนุกรมก็เป็นว่าทุกองค์เงียบเมื่อเงียบเป็นถือว่ามติไม่มีใครค้านก็ถือว่าเป็น ครับท่านเป็นภาระเมตตามากทรงคําบอกว่าออกจากวังได้แห่งคาวัดสัมปยาใน ต้องมีความเข้าใจคิดว่าท่านก็อายุมากแล้วความ 2533 ก็ รับ 800 ตัวไม่พอแล้วก็เลี้ยงอะไรหนอก๋วยเตี๋ยวลากหน้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 10,000 บาทไม่ทราบ ตอนนี้พอหลวงปู่ถึงวัดท่าสุรภันต์แล้วเข้าไปสมเด็จท่านเข้าไปถึงก่อนพอเข้าไปแล้วก็ไปนั่งที่ที่สมเด็จท่านจัดเตรียมให้ท่านมีความเมตตาจัดทุกอย่างทําทุกอย่างไว้ให้ รอนเดินเข้าไปแล้วก็มุโตตาจิตที่ให้คือของบ้างเงินทุนบาท ถ้าจําไม่ผิดถ้าจําผิดก็ขออภัยเฉพาะตําหรือว่าทําบุญในงานฉลอง ผลสมณศักดิ์ก็ถือว่าเป็นยศประเภทหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโลกิวิสัยประกอบขึ้นด้วยแต่เป็นการส่งเสริมพระให้มีกำลังใจท่านปู่ฟังแล้วก็ยิ้มบรรหลานรักปู่จะคุยให้ฟังอย่าถือว่าเป็นการสอนอย่าถือว่าเป็นการเล่าบรรยายถือว่าเป็นการคุยกันการ คนทําบุญกันจริงๆเกินหมื่นคนคนนึง ก็บอกว่าถ้าทรงรับแล้วก็ประเถวายสมเด็จพระ ระลึกโดยพ่ออย่างยิ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมปยาท่านเป็นพระที่มีความบริสุทธิ์ของมากทาง ในเมื่อคนที่ยังไม่ยอมรับอารมณ์ทางใจยังมีมากถ้าพูด ได้เป็น 1 ไดจุดต่อมาหลวงปู่ก็ทะวายสมเด็จพระสัมพยาแต่การ เด็กก็ว่าก็เรียนได้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องฟรี ท่านโปก็ยิ้มบอกว่าสําหรับสมเด็จองค์นี้นะถ้ามีเท่าไหร่นําหมดไม่มีเก็บเป็นส่วน เป็นนั้นว่าใครรู้ใครก็ช่วยถ้าไม่รู้ถ้า ในในพ่อยางกินกําลังใจของสมเด็จพระธุตโกศาจารย์ว่าสัมปยาเป็นกําลังใจที่ใสสะอาดมากต้องคิดว่ามากถึงที่ ในเมื่อท่านมีกําลังใจสะอาดมากอย่างนั้นหลวงปู่เอาขอเงินที่ทั้งหมดที่ลูกหลานให้ โรงเรียนเป็นปัจจัยคุณเกิดความรู้ด้วยเกิดเป็นการเปิดเป็นเกิดปัญญาแล้วบรรดาทุกคนบริจาคทรัพย์สมบัติของส่วนตัวถวายเข้าไปเป็นทานบารมีแกนั้นทั้งหมดนี้อานิสงส์ที่เพิ่งได้ของทุกคนทุก ถ้ามีบารมีเกินพรหมก็ไปนิพพานใครก็ถามว่าเอานี้ก็แล้วกันเจ้า ท่านปู่ท่านก็ยิ้มเธอ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 ก็เคยเคารพพระพุทธเจ้าก็ดีเคารพพระธรรมก็ดีเคารพพระอริยสงฆ์ก็ดีอย่าง เพลก็ถามต่อไปว่าหลวงเคนปู่เจ้าคะแต่การที่ ดร. ปริญญานุตาลัยลูกศิษย์คนสําคัญของท่านปู่วัดท่าทรงอีก 13 หลวงพ่อ กปาลคารินีชื่อกันลงทุนมากปาณีอุตส่าห์ถึงวัดพระสงฆ์บาทเป็นเช็คบาทแต่ ที่ทําบุญหลักแล้วก็หลายๆคนร่วมกันทําบุญบ้างออกแรงบ้างเย็บ และก็ถามท่านก็ถามต่อไปว่าถึงเวลาวันนั้นคนทําบุญช่วยกันมากท่านบอกเด็กนักเรียนทุกคนไม่ การแหก็ดีการรำก็ดีร้องรำทำเพลงเอาตามมะเร็งวิภาคมะเร็งมโหรีโหรีไม่มีก็บรรเลงแปรวงบ้างรำถวายบ้างชื่องานทุกอย่าง แต่ว่าถึงแม้ประยะเป็นอย่างเนี้ยอนิสงส์เค้าก็มีตามกฎนั่นคือทุกคนมีสิทธิ์มาเป็นเทวดามาเป็นนางฟ้าเป็นเจ้าของวิมานหมดจุลัยก็ถามว่านักเรียนไม่ทําบุญในหน้าวิหารทานท่านปู่ก็บอกว่าการที่เค้าโมทนาแสดงความยินดีกับการได้รับความดีจากจากท่านปู่ที่ปู่ท่านปู่ได้รับคือปู่ว่า แม้กระทั่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนก็ไป แล้วก็ตายจากความเป็นคนตายจากความเป็นหนึ่งเมื่อเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สวิวรรโลกจะมีวิมานเป็น ท่านพวกนี้ 8,000 คนรองเจ้าสมณเณรฉะนั้นคนทุกคนที่มาได้ ไม่เพียงพอนักเกลี้ยงคนอื่นก็หลายคน เต็มใจในการมาเป็นความดีมากขึ้น แกฤทธิ์โลกไม่ช้ําทําไมเสียในเมื่อโลกไม่ช้ํา 2 ทุกคนจะต้องมีวิมานที่ที่ 3 ทุกคนจะมี ผู้ไล่ก็ถามว่าวิมานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ดีอันดับไหนชื่อว่าเป็นวิมานที่อันดับต่ําที่ 9 เสลัยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นทุกคนที่เขาทําบริการงานฉลองของปู่เค้าจะได้วิมานแบบไหนจะได้วิมานทองคํามั้ยปู่ฟังแล้วก็ยิ้มแล้วปู่ก็หลานรักบุญของเขาเกินกําลังอย่างนั้นนะเงินของเขาทุกบาททุกสตางค์เป็นสังฆทานด้วยเป็นวิหารทานด้วยเป็นธรรมทานด้วย ที่เรียกว่าเป็น มันคิดสรุปเพียงแล้วมันขาดทุนท่านเมื่อมันขาดทุนแล้วว่าพอดีกับทุนจะต้องซ่อมแซมถ้าเงินจํานวนนี้เข้าไปซ่อมเป็นธรรมาทานก็ว่าฐานทั้ง 3 อย่างอย่างนี้ ติกนี้จิตประกอบด้วยความเร่วไสในพระศาสนาเจริญสมาธิวิปัสสนาญาณมีความรู้จริงตามความเป็นจริงในการรู้จริงในเมื่อความรู้จริงมีอยู่อย่างนั้นจิตก็พองไสตาย อย่างตามต้องสุดแต่จริงๆแล้วคนคณะที่เข้าไปร่วมในการ จุไรก็ถามว่าคนเข้าใจนิพพานนี้ท่านปู่ท่านปู่เคยไปเที่ยวนิพพานบ่อยมั้ยท่านปู่ก็บอกว่าปู่ไปว่าตามหนังสือก็เขียนว่านิพพานศูนย์ท่านปู่ก็ย้อนถามว่าก็หนูเคยไปแล้วใช่มั้ยจุไรก็บอกว่าหนูไปทุกวันท่านปู่ก็ถามว่าถ้ามันมีศูนย์ ตุลาก็ตอบท่านบอกว่าเห็นเจ้าค่ะหนูก็เห็นเห็นที่อยู่ของหนูด้วยแต่ปู่ก็บอกว่าคนที่จะไปนิพพานตามที่ปู่ เห็นทุกข์ในร่างกายมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของไม่ดีมีทุกข์มี 60 องค์ถ้าพวกนี้เคยเป็น กายิกัตตานุติกาซุปะกรรมฐานเห็นว่ากายกายเตมีความสุขปก 15 วันใน 15 วันนั้น แต่ติดวิถายามีความ ไอ้ได้ของอกุศลแต่ว่าบุคคลคนนั้นเวลาจะตาย แกบอกว่าหลานรักเอ้ยเขาไม่ได้ตายเทพภาดาผู้ ถ้าปู่ก็ดีย่าก็ดีจุติได้เคลื่อนไปจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่เทวโลกปู่กับย่าก็ไม่ไปเมืองมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นนางฟ้าไม่เกิดเป็นพรหมปู่กับย่านิยมนิพพานลูกเพราะปู่กับย่าเห็นแล้วว่าพรหมก็ มีความเหน็ดเหนื่อยจากคนที่มีความดี